MP3 แผนที่38ให้กติธรรมหัวข้อว่าถ้าจะทำสิ่งไหนก็ขอให้ทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าคำว่าทำสิ่งนั้นก็คือเมื่อเรากันกรองไตรตรองเหตุและผละแล้วในการกระทำนั้นไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคือเมื่อทำลงไปแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจรลยธรรม เป็นความที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องคิดในทางที่ถูกต้องทําในทางที่ถูกต้องพูดในทางที่ถูกต้องก็ขอให้ทาสิ่งนั้นจริงๆในเมื่อเราทําสิ่งไหนเมื่อจงใจในการกระทําผลแห่งการจงใจในการกระทํานั้นก็จะเป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายทั้งตนเองก็เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างมากว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ตั้งใจจงใจในการทา ในเมื่อทาผ่านไปแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเห็นผลงานก็เป็นผลงานที่ยอมรับของคู่คนถ้าว่าพวกเราคิดอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามเลาะเลอะแหล่แหล่ลลลลลหาความสัตย์จริงไม่ได้ไม่จงใจในการกระทําไม่จงใจในการพูดไม่จงใจในการคิดในเมื่อผลงานออกมาก็ตัวเองก็ไม่ภาคยุบภูมิใจ คนอื่นเขาได้ยินเขาเห็นเขารู้ก็รู้แล้วว่าทำมาไม่ออกมาจากใจจริงรายนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าจะทำสิ่งใดทำการนั้นให้จริงๆให้จริงใจออกมาจากใจจริงนี่แหละขอให้พวกเราทั้งหลายฝากไว้กับทุกๆคนไม่ว่าจะทำงานราชการงานเมืองไม่ว่าจะเป็นนักพรตนักบวช ไม่ว่าจะเรียนหนังสือปริยัตปฏิบัติทำหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระกรรมฐานของเราในเมื่อเรามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็รู้แก่ใจว่าเรามาอยู่ในสถานะอย่างนี้เราควรจะทําตนอย่างไรเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความจงใจจริงๆผลที่ออกมาก็จะเป็นที่ยอมรับของตนเอง และพวกเกี่ยวข้องทุกๆ ท, ท่าน m p สาแผนที่ 38, 38นี้เมื่อพวกท่านเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน